จากคำอธิบายตามแบบนี้มีข้อสังเกตและสิ่งที่ควรทำความเข้าใจเป็นพิเศษดังนี้หนึ่งวงจรแห่งปฏิจจสมุปบาทตามคาอธิบายแบบนี้นิยมเรียกว่าพะวะวจักซึ่งแปลว่าวงล้อแห่งภพหรือสังสาระจักซึ่งแปลว่าวงล้อแห่งสังสารวัฏและจะเห็นได้ว่า คำอธิบายคาบเกี่ยวไปถึงสามช่วงชีวิตคืออวิชากับสังขารช่วงหนึ่งวิญญาณถึงพบช่วงหนึ่งและชาติกับชรามรนะพวงโดยโสกะเป็นต้นอีกช่วงหนึ่งถ้ากำหนดเอาช่วงกลางคือวิญญาณถึงพบเป็นชีวิตปัจจุบันช่วงชีวิตทั้งสซึ่งประกอบด้วยองค์คือหัวข้อ12สอง จึงแบ่งเป็นสามการดังนี้อดีตคืออวิชาและสังขารปัจจุบันคือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานและภพอนาคตคือชาติชรามรณะ บวกโสกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปาญาต 2. เมื่อแยกออกเป็นสามช่วงเช่นนี้ย่อมถือเอาช่วงกลางคือชีวิตปัจจุบันหรือชาตินี้เป็นหลักเมื่อถือเอาช่วงกลางเป็นหลักก็ยอมแสดงความสัมพันธ์ในฝ่ายอดีตเฉพาะด้านเหตุคือสืบสาวจากผลที่ปรากฏในปัจจุบัน ว่าเกิดมาจากเหตุอะไรในอดีตคืออดีตเหตุไปสู่ปัจจุบันผลและในฝ่ายอนาคตแสดงเฉพาะด้านผลคือชักโยงจากเหตุในปัจจุบันออกไปว่าจะให้เกิดผลอะไรในอนาคตคือปัจจุบันเหตุไปสู่อนาคตผลโดยในยะนี้เฉพาะช่วงกลาง คือช่วงปัจจุบันช่วงเดียวจึงมีพร้อมทั้งฝ่ายผลและฝ่ายเหตุและแสดงได้เป็นสีช่วงเรียกว่าสังหะหรือสังเขปสีดังนี้อดีตเหตุคืออวิชชาสังขารปัจจุบันผลคือวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนา ปัจจุบันเหตุตัณหาอุปาทานพบอนาคตผลชาติชรามรณะบวกโสกาปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตสจักคบอธิบายขององค์ประกอบแต่ละข้อจะเห็นความหมายที่คาบเกี่ยวเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบบางข้อซึ่งจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้ กลุ่มที่หนึ่งอวิชากับตัญหาอุปาทานจากคำอธิบายของอวิชาจะเห็นชัดว่ามีเรื่องของความอยากคือตัญหาและความยึดมั่นคืออุปาทานโดยเฉพาะความยึดมั่นในเรื่องตัวตนเข้าแฝงอยู่ด้วยทุกตัวอย่างเพราะเมื่อไม่รู้จักชีวิตตามความเป็นจริงหลงผิดว่ามีตัวตน ก็ย่อมมีความอยากเพื่อตัวตนและความยึดถือเพื่อตัวตนต่างๆและในคำที่ว่าอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดนั้นกามาสวะภวาสวะและทิษาสวะก็เป็นเรื่องของตัณหาอุปาทานนั่นเองดังนั้นเมื่อพูดถึงอวิชชาจึงมีความหมายพ่วง หรือเชื่อมโยงไปถึงตัณหาและอุปาทานด้วยเสมอในคำอธิบายตัณหาและอุปาทานก็เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่ามีอบิชาแฝงหรือพ่วงอยู่ด้วยเสมอในแง่ที่ว่าเพราะหลงผิดว่าเป็นตัวตนจึงอยากจะยึดถือเพื่อตัวตนนั้นเพราะไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจึงเข้าไปอยากและยึดถือในสิ่งเหล่านั้น ว่าเป็นเราเป็นของเราหรืออยากได้เพื่อเราเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวทั้งสิน้นและในเวลาที่อยากและยึดถือเช่นนั้นยิ่งอยากและยึดแรงเท่าใดก็ยิ่งมองข้ามเหตุผลมองไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพของมันและละเลยการปฏิบัติต่อมันด้วยสติปัญญาตามเหตุตามผลมากขึ้นเพียงนั้นโดยเหตุนี้ เมื่อพูดถึงตันหาอุปาทานจึงเป็นอันพ่วงเอาอาวิชชาเข้าไว้ด้วยโดยในย่านนี้อวิชชาในอดีตเหตุกับตันหาอุปาทานในปัจจุบันเหตุจึงให้ความหมายที่ต้องการได้เป็นอย่างเดียวกันแต่การที่ยกอวิชชาขึ้นในฝ่ายอดีตและยกตันหาอุปาทานขึ้นในฝ่ายปัจจุบัน ก็เพื่อแสดงตัวประกอบที่เด่นเป็นตัวนำในกรณีที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบข้ออื่นๆในภาวจักความหมายที่เชื่อมโยงกันกลุ่มที่2 ส, สังขารกับภพบสังขารกับภพบ มีคำอธิบายในวงจรคล้ายกันมากสังขารอยู่ในช่วงชีวิตฝ่ายอดีตและภพอยู่ในช่วงชีวิตฝ่ายปัจจุบันต่างก็เป็นตัวการสำคัญที่ปรุงแต่งชีวิตให้เกิดในภพต่างๆความหมายจึงใกล้เคียงกันมากซึ่งความจริงก็เกิดเป็นอันเดียวกันต่างที่ขอบเขตของการเน้น สังขารมุ่งไปที่ตัวเจตนาหรือเจตจำนงผู้ปรุงแต่งการกระทาเป็นตัวนำในการทำกรรมส่วนภพมีความหมายกว้างกว่าโดยแบ่งเป็นกรรมภพกับอุปัติภพกรรมภพแม้จะมีเจตนาเป็นตัวการสำคัญเหมือนสังขารแต่ให้ความรู้สึกครอบคลุมมากกว่าโดยเพ่งเอากระบวนพฤติกรรมทั้งหมดทีเดียว ส่วนอุปัติภพหมายถึงคันห้าที่เกิดเพราะกรรมมาภพนั้นโดยในยะนี้สังขารกับกรรมมภพจึงพูดพ่วงไปด้วยกันได้ความหมายเชื่อมโยงกันกลุ่มที่สมวิญญาณถึงเวทนา กับชาติชร า, ามรณะรวมโศกบริเทวะทุกโทมานต์และอุปายาตวิญญาณถึงเวทนาเป็นตัวชีวิตปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุในอดีตการที่แสดงไว้เป็นอย่างอย่างตามลำดับอย่างนี้เรามุงกระจายกระบวนธรรมะออกให้เห็นอาการที่องค์ประกอบต่างๆของชีวิตซึ่งเป็นฝ่ายผลในปัจจุบัน เข้าสัมพันธ์กันจนเกิดองค์ประกอบอื่นๆที่เป็นฝ่ายเหตุในปัจจุบันอันจะนำมาซึ่งผลในอนาคตต่อไปอีกส่วนชาติชรามรณะแสดงไว้เป็นผลในอนาคตต้องการชี้ให้เห็นเพียงว่าเมื่อเหตุปัจจุบันยังมีอยู่ผลในอนาคตก็จะยังมีต่อไปจึงพูดสั้นใช้เพียงคำว่า ชาติละชารามรนาซึ่งก็หมายถึงการเกิดดับของวิญญาณถึงเวทนานั่นเองแต่เป็นคำพูดแบบสรุปและต้องการเน้นในแง่การเกิดขึ้นของทุกให้เห็นจุดที่เชื่อมโยงกลับเข้าสู่วงจรอย่างเดิมได้อีกดังนั้นตามหลักจึงกล่าวว่าวิญญาณถึงเวทนากับชาติชารามรณะ เป็นอันเดียวกันพูดแทนกันไปได้เมื่อถือตามแนวนี้เรื่องเหตุผลสี่ช่วงในข้อสองจึงแยกองค์ประกอบเป็นช่วงละห้าได้ทุกตอนคืออดีตเหตุหได้แก่อวิชชาสังขารตันหาอุปาทานและพบปัจจุบันผลหได้แก่วิญญาณ น, นามรูป สลายตนาะผัสสะและเวทนาคือเท่ากับชาติชารามรณะปัจจุบันเหตุ5้าได้แก่อวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานและภพอนาคตผลหได้แก่วิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาคือเท่ากับชาติชารามรณะ เมื่อนับหัวข้อดังนี้จะได้ย0สิบเรียกกันว่าอาการยี่สิบความหมายเชื่อมโยงกันกลุ่มที่4จากคำอธิบายในข้อ3จึงแยกประเภทองค์ส2องของปฏิจจสมุปบาทตามหน้าที่ของมันในวงจรเป็นสามพวก เรียกว่าวัตตาสามหรือไตรวัตซึ่งแปลว่าวนสามคือหนึ่งอวิชาตัญหาอุปาทานเป็นกิเลสคือตัวสาเหตุผลักดันให้คิดปรุงแต่งกระทําการต่างๆเรียกว่ากิเลสวัตวัตตาสามหรือไตรวัตข้อที่สองสังขารและกรรมภพ เป็นกรรมคือกระบวนการกระทาหรือกรรมทั้งหลายที่ปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปต่างๆเรียกว่ากรร ม, มวัตรวัตต์สามหรือไตรวัตรข้อที่สามวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาเป็นวิบาก คือสภาพชีวิตที่เป็นผลแห่งการปรุงแต่งของกรรมและกลับเป็นปัจจัยเสริมสร้างกิเลส ต, ต่อไปได้อีกเรียกว่าวิปากวัฏวัตดทั้งสามนี้หมุนเวียนต่อเนื่องเป็นปัจจัยอุดหนุนแก่กันทำให้วงจรแห่งชีวิตดำเนินไปไม่ขาดสายซึ่งอาจเขียนเป็นภาพได้ดังนี้ดูภาพแผนผังได้จากหน้า188 ในพุทธธรรมฉบับรับขยายวัตตาสเป็นมติรุณนัทธกถาที่อาจถือได้ว่าเป็นการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบเข้าใจกันง่ายๆจะว่าเป็นการแสดงสังสารวัตแบบชาวบ้านก็ว่าได้เช่นเมื่อมีกิเลสอยากได้จึงทำกรรมให้ได้สิ่งนั้นมาเสพเสวยได้รับวิบากคือเวทนาที่เป็นสุข จึงเกิดกิเลสอยากได้ยิ่งขึ้นไปแล้วทำกรรมแล้วได้รับวิบากต่อไปอีกหรือเมื่ออยากได้และทำกรรมให้ได้มาแต่ไม่สมใจได้วิบากคือเวทนาที่เป็นทุกข์ทำให้เกิดกิเลสคือโทสะจึงทำกรรมแล้วได้รับวิบากไปอีกแบบหนึ่งดังนี้เป็นต้น ความหมายเชื่อมโยงกันกลุ่มที่หในฐานะที่กิเลสเป็นตัวมูลเหตุของการทำกรรมต่างๆที่จะปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไปจึงกำหนดให้กิเลสเป็นจุดเริ่มต้นในวงจรเมื่อกำหนดเช่นนี้ก็จะได้จุดเริ่มต้นสองแห่งในวงจรนี้เรียกว่ามูลสองหรือภวะจักคือ 1. อวิชชา เป็นจุดเริ่มต้นในช่วงอดีตที่ส่งผลมาอยังปัจจุบันถึงเวทนาเป็นที่สุดละสองตันหาเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงปัจจุบันต่อจากเวทนาส่งผลไปยังอนาคตถึงชรามรณะเป็นที่สุดเหตุผลที่แสดงอวิชชาในช่วงแรกและตันหาในช่วงหลังนั้น เห็นได้ชาติอยู่แล้วอย่างที่กล่าวในข้อสคืออวิชชาต่อเนื่องกับโศกปริเทวะจนถึงอุปาญาตส่วนตันหาต่อเนื่องกับเวทนาดังนั้นอวิชชาและตันหาจึงเป็นกิเลส ต, ตัวเด่นตรงกับกรณีนั้นๆคมภิรุณทักระทากล่าวว่าการตรัสอวิชชาและตันหาเป็นมูลไว้สองอย่างนี้ มีความมุ่งหมายต่างกันอวิชามายสำหรับคนที่เถีจริตตันหาสำหรับคนตันหาจริตอีกไนยะหนึ่งทอนอวิชชาเป็นมูลตรัสเพื่อถอนอุเฉททิฏฐิทอนตัญหาเป็นมูลตรัสเพื่อถอนสัตตตาทิฏฐิอีกไนยะหนึ่ง ทอนอวิชาเป็นมูลหมายสำหรับขัพพายะกาสัตถ์ทอนตัญหาเป็นมูลมุ่งสำหรับโอปปาติกาสัตถ์อันหนึ่งในแง่ของการเกิดในพบใหม่คำอธิบายตามแบบก็ได้แสดงความแตกต่างระหว่างกรณีที่อวิชาเป็นกิเลสตัวเด่นกับกรณีที่ตัญหาเป็นกิเลสตัวเด่นไว้ด้วย คืออวิชชาเป็นตัวการพิเศษที่จะให้สัตว์ไปเกิดในทุกขติเพราะผู้ถูกอวิชชาครอบงำไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมพินาศย่อมทำการต่างๆด้วยความหลงมืดมัวไม่มีหลักจึงมีโอกาสทำกรรมที่ผิดพลาดได้มาก ภาวะตันหาเป็นตัวการพิเศษที่จะให้สัตว์ไปเกิดในสุขติในกรณีที่ภาวะตันหาเป็นตัวนําบุคคลย่อมคํานึงถึงและใฝ่ใจในภาวะแห่งชีวิตที่ดีๆถ้าเป็นโลกหน้าก็คิดอยากไปเกิดในสวรรค์ในพรหมโลกเป็นต้นถ้าเป็นพบปัจจุบันก็อยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นคนมีเกียรติ ตลอดจนอยากได้ชื่อว่าเป็นคนดีเมื่อมีความอยากด้วยอำนาจภาวะตัญหาเช่นนี้ก็จึงคิดการและลงมือกระทากรรมต่างๆที่จะเป็นทางให้บรรลุจุดหมายนั้นๆเช่นอยากไปเกิดเป็นพรมก็บำเพ็ญฌานอยากไปสวรรค์ก็ให้ทานรักษาศีลอยากเป็นเศรษฐีก็ขยันหาทรัพย์อยากเป็นคนมีเกียรติก็สร้างความดีเป็นต้น ทำให้รู้จักยังคิดและไม่ประมาทขวนขวายในทางที่ดีมีโอกาสทำความดีได้มากกว่าผู้อยู่ด้วยอวิชชาเรื่องที่ยกอวิชชาและภวะตันหาเป็นหัวข้อต้นของวัตตะแต่ก็ไม่ใช่เป็นมูลการนั้นมีพุทธพจน์แสดงไว้อีกเช่นภิกษุทั้งหลาย ปลายแรกสุดของอวิชชาจะปรากฏก็หาไม่ว่าก่อนแต่นี้อวิชชาไม่ได้มีรันมาภายหลังจึงมีขึ้นเรื่องนี้เรากล่าวดังนี้ว่าก็แลเรอสิ่งนี้เป็นปัจจัยอวิชชาจึงปรากฏส่วนภาวะตัณหาก็มีพุทธพจน์แสดงไว้มีความหมายอย่างเดียวกัน ดังนี้ภิกษุทั้งหลายลายแรกสุดของภวะตัณหาจะปรากฏก็หาไม่ว่าก่อนแต่นี้ภวะตัณหาไม่ได้มีครั้นมาภายหลังจึงมีขึ้นเรื่องนี้เรากล่าวดังนี้ว่าก็แลเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยภาวะตัณหาจึงปรากฏหมายเหตุ ตามความในพระสูตรอวิชามีอาหารคือนิวรห้ส่วนอาหารของภาวะตันหาคืออวิชชาข้อที่อวิชชาและตันหาเป็นตัวมูลเหตุและมาด้วยกันก็มีพุทธพจน์แสดงไว้เช่นภิกษุทั้งหลายกายนี้เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้แก่คนพาลแก่บัณฑิต ผู้ถูกอวิชชาปิดกัน้นผู้ถูกตัณหาผูกรัดก็แลกายนี้นั่นเองกับนามรูปภายนอกจึงมีเป็นสองอย่างอาศัยสองอย่างนั้นจึงมีภาษะเพียงหกอายตนะเท่านั้นคนพานบัณฑิตได้ภาษะโดยทางอายตนะเหล่านี้หรือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจึงได้เสวยความสุขและความทุกข์ ความหมายที่เชื่อมโยงกันกลุ่มที่6อาการที่องค์ประกอบต่างๆในปฏิจสมุบบาทสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันนั้นยอมเป็นไปโดยแบบความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบรรดาแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่าปัจจัย24อย่างตามคำอธิบายในแนวที่เรียกว่าประานในอันหนึ่งองค์ประกอบแต่ละข้อ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 แต่ละอย่างมีคุณสมบัติอย่างไรในสภาวะเช่นใดจะมีรูปอะไรเกิดขึ้นบ้างดังนี้เป็นต้นเรื่องปัจจัย24นั้นก็ดีรายละเอียดโดยพิสดารขององค์ประกอบแต่ละข้อแต่ละข้อก็ดีเห็นว่ายังไม่จำเป็นจะต้องนำมาแสดงไว้ในที่นี้ทั้งหมดผู้สนใจพิเศษพึงศึกษาโดยเฉพาะจากคำพีฟไฟอภิธรรม จากคำอธิบายข้างต้นอาจแสดงเป็นแผนภาพประกอบความเข้าใจได้ดังนี้ดูภาพแผนผังโดยละเอียดได้จากหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายหน้า190หมายเหตุเทียบตามแนวอริยสัจเรียกช่วงเหตุว่าสมุ ท, ทยัยเพราะเป็นตัวการก่อทุกข์เรียกช่วงผลว่าทุกข์ อีกอย่างหนึ่งเรียกช่วงเหตุว่ากรรมภพเพราะเป็นกระบวนการฝ่ายสร้างเหตุเรียกช่วงผลว่าอุปาติภพเพราะเป็นกระบวนการฝ่ายเกิดผลจุดเชื่อมต่อระหว่างเหตุกับผลและผลกับเหตุเรียกว่าสนธิมีสมคือสนธิที่หนึ่ง เหตุผลสนธิสนธิที่สองผลเหตุสนธิสนธิที่สามเหตุผลสนธิ